แลาวหลักตอนนี้ก็ย่าขอปรารถเรื่องอุปกรรมของพระมหาสาวกแต่ว่าจะต้องคอยย้อนต้นสักนิดหน่อยด้วยเรื่องนี้เว้นกันมานานไม่ได้เอาเรื่องนี้มาปรารกกันทิ่นานก็รู้สึกว่าจะเฟื่เฟือไปในตอนก่อน ก็ได้ปรารบถึงบรรดาท่านสอนสหายคือพระโมคคัลลาภาษาริบุตรปราถนาจะออกบวชคือต้องการความพ้นจากความเกิดตอนนี้ก็เขาเริ่มต้นนิดหนึ่งแม้กล่าวว่าในสมัยนั้นท่านสัญชัยปริพาชกอาศัยอยู่ในกรุงราชคฤห์ แล้วก็มีบทปริพาชกเป็นบริวารมากเป็นสำนักใหญ่พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะทั้งสองที่นี่ตกลงกันว่าเราจะบวชในสำนักของท่านสัญชัยนั้นตานก็ส่งมานพ้าร้อยไปที่คำว่าท่านทลายจงเอาสางและรถไปเถิด แล้วก็พร้อมไปด้วยมานบอีกห้าร้อยข้าบสถในสมนของสัญชัยปริพาชกตอนนี้ก็ต้องขออธิบายสักนิดหนึ่งคือว่าสำหรับท่านโมคลาดภะษาดิบทนี้ความจริงมีบริวารกันคุละห้าร้อยคนพอ <c oughs> มอตัดสินใจว่าจะสแสวงหามโมกะธรรมจรึงได้แบ่งบริวารคนละครึ่ง คือคนละสองห้าสิให้กลับบ้านเอาเสลี่ยงละร้กลับสำหรับปริวาณอีกคนลครึ่งคือคนละสองรห้าสิบวมไปห้าร้อยเดีกันเข้าไปบวชในสำนักของท่านสัญชัยปริภาชคท่านกล่าวว่าจำเดิมแต่ท่านดังสองเข้ามาบวชแล้วท่านสันชัยก็มีความเลิศปดิลาภ ทัางนี้ก็เพราะว่าทัานโมกันลาแในภาษารีบุตรเป็นลูกของมหาเศรษฐีในเมื่อลูกของมหาเศรษฐีมาบวชท่านมหาเศรษฐีท <c oughs> <c oughs> ี่ก็ต้องมามรนดาญาติเพื่อนพี่น้องทั้งหลายก็มาในสำนักนั้นลาบสการะมันก็เกิดท่านสัญชัยก็กลายเป็นผู้เลิศเพื่อนลาบทพื่อนยศเหลือเฟือที่จะพึงใช้ จะได้ว่าท่านหังหลายจนจำไม่ดีเมื่อลาบจองฆ่าคนโง่ลาบและยศนี่ฆ่าคนโง่คนที่เมาพร้ลาบเลยยศทั้งส ม, มรการนี่พระพุทธเจ้าเรียกว่าคนโง่ลาบเละยศตั้งส ม, มรการเป็นโลกธรรมน้อมนำให้เราติดผู้ติดอยู่เข้าถึงความทุกข์จะหาความสุขไม่ได้ ล, ลาบและยศตั้งสมรภารานี้ไม่เป็นของที่อย่งแท้แน่นนอนลาบมันเกิดขึ้นมาได้มันก็เสื่อมได้ยศเขาแต่งตั้งให้เราได้มันก็เสื่อมได้ที่เราต้องมาลำ บ, บากกันอยู่ในด้วยการเกิดแบบนี้ก็เพราะว่าในสมัยชาติก่อนๆเราติดอยู่ในลาบในยศถ้ากว่าเราตัดลาบตัดยศฉันได้แล้แลวก็เข้าถึงผู้ความเป็นผู้ประเสริฐ นั่นคือตัดโลกธรรมความชั่วไปได้สองอย่างฟังกันต่อไปท่านเดีนสองเรียนในรัฐิของท่านสัญชัยบดีภาชกเพี่สองสามวันก็จบเพราะว่าท่านมีปัญญามากเมื่อจบแล้วก็ใคร่ควนดู ว, วิชาของอาจารย์เรามีเท่านี้หรือ พยงเลยถามท่านอาจารย์ว่ารัธิที่ท่านรู้นะ่ะมีเพียงเท่านี้หรือครับสิ่งอื่นที่ยิ่งไปกว่านี้มีไหมแเมื่อได้ฟังท่านพันชัยบอกว่าความรู้ในสำนักนี้นะ่ะมีเพียงเท่านี้แต่เธอเดาสองก็เรียนจบหมดแล้วท่านเดาสองยิ่งมาพากันคิดว่า เมื่อสำนักนี้มีความรู้เพียงเท่านี้ในความรู้ที่เราได้มานี้ก็ไม่ใช่เป็นวิสัยขโมกขธรรมคือไม่ให่ทำเป็นเครื่องค้นยังเป็นธรรมที่เกี่ยวนองเนื่องวดลาบระยศเทอเสริงสุขถ้าหากว่าเราจะหลงไหลไฝ่ฝันในธรรมเพียงแค่นี้เราก็ไม่มีการพ้นทุกข์เมื่อเป็นอย่างนั้น การประพฤติพรหมาจรรย์ในสํานักของน่านอาจารย์ผู้นี้ย่อมไม่มีประโยชน์นี่คนที่มีปัญญาในะท่านคิดกันอย่างนี้นะในความจริงถ้าเราใช้ปัญญาแค่สักอย่างเดียวมันก็หาทางพ้นทุกข์ได้ง่ายคนที่ไม่มีปัญญาใครเขาว่าอย่างไรก็ว่าไปตามนั้นซือทัญญยเป็นสําคัญอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นการ ขาดทุนในการเกิดต่อมาท่านจึงปรึกษากันว่าเราทั้งสองออกเที่ยวเพื่อแสวงาหาหาโมกะธรรมให้ได้ดีกว่าคำว่าโม ก, กะธรรมแปลว่าธรรมเป็นเครื่องพ้นจากความตายเพราะว่าท่านท้องสองนี่ก่อนจะมาปรารกความตายเป็นของสำคัญ ที่ต่อไปว่าโมกตธรรมนั้นเราไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้จากในสุนักของท่านผู้นี้และดัาไม่ต่อไปว่าชมพูทวีนี้กว้างใหญ่ไพศาลมากถ้าเราเที่ยวไปยังในสถานที่ต่างๆผู้ราชธานีก็คงจะได้อาจารย์ผู้สแสดงโมกตรรมสักคนหนึ่งเป็นแน่ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาใครเขาพูดว่า ด, ดีที่ไหนท่านก็ไปที่นั่นเขากล่าวว่าสมณพราสมณพรามผู้เป็นบนันฑิตมีอยู่ที่ไหนท่านนั้นสองก็ไปที่นั่นทาสากระชาคือคุยกันสังส่งสนทนาหาหรืออ า, า, าศัยการศึกษาเป็นสำคัญ ปัญหาที่ท่านสองเคยเข้าไปถึงนั้นก็ไปถามท่านอาจารย์เหล่าอื่นๆอาจารย์ทัหลายเหล่านั้นก็ตอบไม่ได้เพราะนันว่าท่านแสวงหาโมกขธรรมจากอาจารย์ทุกสำนักไม่ได้แต่ว่าท่านสองท่านก็ยังไม่ละความพยายามพยายามหาคนที่แก้ปัญหานั้นให้ได้ พยายามสอบสวนไม่ั่ว่ชมพูทวีปคำว่าชมพูทวีปก็เป็นดินแดงของอินเดียเป็นจุดที่เขานิยมเล่นจิตวิทยากันคือฝึกสมาธิเมื่อกลับมายัางที่อยู่ของตนจึงได้ทำกฎิกากันว่าเราหาคนสอนวิชาเข้าถึงโมกตธรรมให้แกเราไม่ได้แต่ด้วยว่าตอนนี้ไป เราทั้งสองคนถ้าใครได้บรรลุธรรมะะก่อนอมะตธรรมคือธรรมที่ไม่ตายเราทั้งสองจะต้องบอกซึ่งกันแลกันนี่เป็นสัญญาเดิมที่ท่านให้กันไว้เมื่อท่านทั้งสองทำกฎิกาสัญญากันอยู่อย่างนั้นปรากฏว่าเวลานั้นองค์สมเด็จพระพักรวันบรุมาสัชา ก็ทรงเสด็จทิ้งกรุงราชเจคพอดีทรงรับพระเวรุวันมหาวิหารเป็นที่ประทับอยู่จากพระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์ในเวลานั้นท่านพระสัชชิเป็นพระอรหันต์ในจำนวนพระปัญญวคีรอสีท้ห้าและก็เวลานั้นมีพระอรหันต์รวมด้วยกันหกสิเอ็ดอง ดิพ ร, ระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วท่านได้บรรลุอนาตผลแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงส่งบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นไปประกาศธรรมให้คนเข้าใจในคุณพระรัตนไตรัโดยการตำรัดว่าพิกุรวดูก่อนพิสุททั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อโกนไก่ชนไปอันมากแล้วก็บรรดา่านบาสพทิเมื่อประกาศพระาศาสนาก็กลับไปยังกรุงราชศึ ก, กในวันรุ่งขึ้นท่านถือบาจีวอนเข้าไปสู่กรุงราชศึกเพื่อเป็นบาตรแต่เช้าตรู่ลำดับนั้นท่านอุปติสสะปรีพาชกหรือที่เราเรียกนว่าปรสารีบท เมื่อทำพัตกิจคือฉันข้าวตอนเช้าแล้วก็เข้าไปยังอารามของปริพายชกยังไม่ทันจะถึงพบพระมาหาเทระจึงคิดว่านักบวชเช่นนี้เรายังไม่เคยพบเลยก็แต่งตัวแบบนี้ยังไม่เคยพบที่สูรูปนี้คงจะเป็นผู้หนึ่ง ในบรรดาผู้ที่เป็นพระอระหันต์หรือว่าเป็นผู้บรรลุอารหัาราตผลอรหัตมรักในโลกเพราะว่าดูจริยาการเดินไปเดินมาแก่นคู่ซ้ายคู่แข้แงแกว่งซ้ายแกว่งแข ง, ง, งขวาการทอดจักสุและดูน่ารักน่าชมมีการสงบเสงยียมมีการ ส, ส, สุมุมเป็นอย่างดี ย่อมพึงต่อไปว่าชะไหนหนอเราจึงได้จะมีโอกาสเข้าไปหาที่สูรูปนี้เมื่อท่านคิดอย่างนั้นแล้วเจนีเข้าไปถามว่าท่านผู้มีอายุท่านบทอุทิศเฉพาะใครใครเป็นศาสนาคือคือเป็นคาว่าศาสนาเบรบโครใครเป็นศาสนาสอนท่านหรือว่าท่านชอบใจในธรรมะของใคร ตามพระมาลีถึงกล่าวต่อไปว่าลาดับนั้นความบริวิตกนี้ได้มีแก่เขาว่าในการนี้ไม่ใช่การที่จะถามปัญหากับวิสุรูปนั้นความจริงในตอนก่อนเขาคิดเนี่ยคิดว่าจะถามปัญหาเพราะว่าวิสุรูปนี้กําลังเข้าไปสู่และแอกบ้านเพื่อบิน็นธบาติถ้าอะไรก็ดี เมื่อเราสแสวงหาหมมกตธรรมที่คนผู้ต้องการท้แล้วควรจะติดตามพิสูรูปนี้ไปข้างหลังเมื่อท่านติดตามเขาไปเห็นพระมหาเทระบินทบาทแล้วไปไปสู่โอกาสแห่งใดแห่งหนึ่งหมายความว่าไปสู่ที่ว่างและก็ทราบความที่พระเทระนั้นประสงค์จะพิงนั่ง ยิ่งได้จัดตังของปริพายชกสำหรับถวายสาหรับตนถวายนี่ดูมัญยายของท่านหดีนะฟังไปแล้วก็คิดตามไปด้วยว่าสำหรับคนดีเนี่ยเขาทำกันแบบนี้แล้วก็ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาไม่ใช้สัญญาอย่างเดียว เรื่อชื่อ ว, ว่าถ้าเราต้องการสแสวงหาโมกตธรรมทำเป็นเครื่องพนถ้าเราไม่เข้าใจในสนักใดเราก็ไปสนักส่วนใดส่วนหนึ่งแต่การฟังต้องใช้ปัญญาคุยกันต่อไปในเวลาที่ท่านฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ได้ฟังให้ดีนะท่านพระสารีบุตรจัดตังให้พระอัชชินั่ง แล้วก็รอทั้เวลาฉันเสร็จนี่ฟังมัน ญ, ญาตินี่ดีความจริงนี่เรามักจะพบกันเสมอเสมอคนที่จะมาหาพระก็ถือเอาแต่ใจของตนเป็นสําคัญถือว่ารีบบ้างทุรับ้างด่วนบ้างเขาถือว่าพระเป็นคนรับใช้ของเขาคนประเภทนี้ไปหาพระคราวไรก็ชื่อว่าเขาก็หานรกใส่ตัวเขาคราวนั้น สำหรับคนดีต้องดูตัวอย่างพระสารีบุตรเป็นสำคัญในเมื่อเวลาคุยนต่อไปเวลาที่ท่านฉันเสร็จแล้วก็ได้ถวายน้ำในคนโรของตนแก่พระเสระท่านธรรมอาจาริยวัดคำว่าอาจาริยวัดปฏิบัติในอาจารย์เอง ยา่นั้นแล้วจึงนี่ทำใบเส้นปฏิสันฐานอย่างจับใจกับพระเถระคําว่าปฏิสันฐานก็คือผู้ดุวิชาอ่อนน้อมสแสดงถึงความเคารพซึ่งชาเพื่อพระเถระฉันเสร็จแล้วจึงได้เรียนถามอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุอินทรีย์ของท่านคือร่างกายของท่านนิพพ่องใสนักผิวพันบริสุทธิ์ผุดของ ผู้มีอายุท่านบวชอุทิศเฉพาะใครใครเป็นศาสเสนาสอนท่านหรือท่านไว้ชอบใจทำของใครเพระเถระคือพระสิชิคิดว่าเน ท, ท่านเป็นอราหันต์ท่านเฉลาดถ้าไม่โง่อหนักดานเหมือนก็คนบางคนท่านท่านหลายเห็นว่าบางทีคนบางคนนี่เขมาหาผมนี่เขามาเป็นนายผมบ้างเป็นพ่อผมบ้าง มาถึงเขาก็อยาเอาแต่ธุระของเขาคนประเภทนี้มาพบพระเมื่อไรารงนั้นสำหรับพระสัทนาสชิก็มาดำริวา่าเพราะท่านฉลาดธรมมันดาว่าปริพายกรณีย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนาเราจะแสดงความทูธรรมรึกซึ่งในพระศาสนาแก่ปริพายชก เมื่อแสแดงความที่ตนเป็นผู้บวชใหม่จึงกล่าวว่าผู้มีอายุเราเป็นผู้ใหม่บวชในศาสนานี้ไม่นานเพิ่งจะมาสู่สนักพระธรรมวินัยนี้เราจะไม่สามารถที่จะแสแดงธรรมโดยพิสดารก่อนให้ดูความฉลาดของท่าน ท่านบริพาชกเรียนว่าข้าพระเจ้าชิวปิติสะขอพระผู้เป็นเจ้ากล่าวตามสามารถเถิดกรับจะน้อยก็ตามจะมากก็ตามข้อนั้นเป็นภาระของข้าพรเจ้าเพื่อจะแทงตลอดโดยในหนึ่งร้อยบ้างหนึ่งพันบ้างเมื่อท่านปรารบคือกล่าวกับพระสิชิงนี้แล้วจึงเล่ตรากล่าวว่า เรื่อคุณเจ้าจะกล่าวมากหรือน้อยก็าตามขอเรื่องคุณเจ้าจงกล่าวเถิดจงบอกแกเข้าไวเจ้าแต่ใจความเท่านั้นเขาไว้เจ้าต้องการเพียงใจความจะต้องการทำวิญญาณะให้มากไปเพื่อประโยชน์อะไรฟังแล้วก็จำนะครับเรื่องมัญญาติของพระสารีบุตรนี่กับจริยาของพระอสชิ จำแล้วก็พึงประพฤติปฏิบัติตามความดีที่เราศึกษาคนนำไปใช้ยานําทางยานํำความเลวที่มันเป็นภัยสำหรับตนมาใช้เมื่อท่านพระสารีบุตรเรียนอย่างนั้นแล้วพระมหาเทระจึงกล่าวว่าทำเหล่าใดมีเหตุเป็นดงเกิดองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมตัดเหตุแห่งธรรมนั้น ในเหตุแห่งความดับแห่งธรรมนั้นระมหาสมณะมีปกติสัดอย่างนี้ธรรมที่กล่าวโดยย่อนี้เพง่ทราบว่าเป็นอริยสัตว์แต่ว่าทังกล่าวย่อจริงๆโดยอัดเพื่อให้ปริภายชคคือบริษารีบทคิดเอาเองเมื่อบริษารีบทได้ฟังเพียงสองบทต้นเท่านั้น ก็ดำรงอยู่ในพระโสดาปฏิพันธตอนนี้พวกเราก็ต้องคิด <c oughs> ทําไมยังคิดว่าฟังทำนิดเดียวทําไมยังได้พระโสดาปฏิพันธ์เพราว่าท่านฟังแล้วก็คิดตามใช้ปัญญาไปด้วยไม่ใช่ฟังศักดิ์เพียงว่าฟัง <c oughs> นั่นเริ่บอกว่าเมื่อบรรลุพระโสดาปฏิพันธ์ถึงพร้อมปไปในพันหนึ่งคือปัญญามากมีความฉลาด พิจรารณาได้รอบครอบแต่ฉันีึกว่าในเริยอสัตว์ทั้งหมดครอบงมจิตพระเทระยังสองบทนอกนี้ให้จบลงไปในเวลาที่เขาเป็นประสูติดาบันเขาเป็นประสูดาบันแล้วเมื่อคุณวิเศษอันสูงยังไม่เป็นที่ไปอยู่ไมายความว่าเมื่อได้ประสูติดาบัน คำว่าเขานในพราะว่าตามบาลีนะมาลีถ้าว่าเขาพราะว่าเขาตามเป็นขอย้อนสนิษจะเป็นเท่าไหรที่ไม่เหมาะสมในเวลาที่ภาษาได้บทเป็นประสูนาบันและท่านเป็นประสูตนาบันแล้วเมื่อคุณเวเศษสูงชั้นสูงยังไม่มียังไม่เข้าถึงคือความเบญรหันก็คาดว่า เหตุในเหตุในสิ่งนี้จะพู่มมียังเรียนกับพระเทราว่าท่านขอรับท่านไม่ต้องขยายวัรรมเทสนาให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้เพียงเท่านี้ก็พอแล้วเวลานี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราประทับอยู่ที่ไหนพระเทเรก็นี้ตอบว่า องสมเด็จพระบรมศาสดาทรงเสด็จประทับอยู่ที่พระ ว, รวีรวัรณท่านท่ศานบาษารีบทจงเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้ากรนั้นขอท่านโปดร่วงหน้าไปก่อนเถิดกระผมยังมีเพื่อนอีกคนหนึ่งและกระผมทั้งสองพร้อมด้วยเพื่อนือูผมด้วยเพื่อนด้วย ได้ทำกฎิกาสัญญาแก่กันว่าผู้ใดได้บรรลุธรรมก่อนผู้นั้นจงบอกแก่กันแกผมจะเพื่อปฏิญา น, นั้นแล้วจะพาสหายไปสำนักพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภ่าเจา้าตามทางที่พระคุณเจ้าได้บอกนะั้นแล้วดังนั้น <c oughs> เมื่อก่าจบก็บหมอบกราบแทบท่าตัวสองของพระมหาเทระด้วยบบญจางขบดิษฐ์ทำบัทัทกษิเสียงคือเวงขวาสามรอบ <c oughs> แล้วก็อรัตนาปะเทระกลับไปท่นานใน้บหน้าไปสวนสมของปริภาชก <c oughs> แล้วก็ได้พบทั้นโกรีตะคือพวกกันลา เห็นเขาแต่ไกลยกัได้คิดว่าวันนี้สีหน้าสหายของเราไม่เหมือนในวันอื่นคงยันได้บรรลุอรตะธรรมโดยแน่แท้ยังได้ถามการบรรลุอมตะธรรมแม้มแต่อุปติสสะหรือว่าภาษารีบทนั้นก็ยอมรับว่าเออเพื่อนอมตะธรรมเราได้แล้ว ได้ภาสิจาฐานั่นแจพระโกติทิตะคือได้พูดกล่าวคาถาแจพระโกริตะคือโมคลาว่าทำใดมีเหตุเป็นแดงเกิดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมตัดเหตุแห่งธรรเหล่านั้นในเหตุแห่งความดับคุณธรรมเหล่านั้นสมเด็จพระมหาสมประเจ้ามีปกติตรัสอย่างนี้ แต่งกล่าวคําเพียงเท่านี้พอจบก็ปรากฏว่าท่านโกดีตะหรือมุกขลาก็ได้สมเร็จโตโสนาบันเหมือนกันยังไ้กล่าวว่าสหายข่าวว่าพระศั ส, ด, สดาของพวกเราอยู่ที่ไหน <c oughs> ท่านอุปริศาเดสาริบุตรได้กล่าวว่าข่าวว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่พระเวดูวันถ้าเช่นนั้นสหายท่านกับเรา จะต้องไปเพื่อข่าวนี้เราได้จากท่านพระสัชชิอาจารย์ของเราบอกไว้แล้วในโกริาจา์จึงบอกว่าสหายท่ากันนั้นเราก็ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันเถิดนี่สำหรับตามพระบาลีได้กล่าวว่าก็ธรรมดาพระสารีบทเทระนั้นเป็นผู้บูชาอาจารย์แม้ในการทุกเมือ่อ เพราะฉะนั้นยิงกล่าวกับสหารนว่าสหายเราจะบอกอมตะธรรมที่เราทั้งสองได้บรรลุแล้วแกท่านสัญชัยปรีฝ่ายชกผู้เป็นอาจารย์ของเราบ้างท่านรู้อยู่ก็จะได้แทงแตลอดเมื่อไม่แทงแตลอดก็ชี้ว่าพวกเราและเชื่อพวกเราแล้วก็จะไปสาํานักของพระ อ, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อนดับธรรมเทศนาของพระพุทธเจา้าบุคคลทั้งหลายแล้วเพื่อดับก็ธรรมเทศนาของพุทธบุคคลทั้งหลายแล้วจัดทาการทางตลอดที่มารถผลนี่เป็นการดําริของพระโมคคัลลาในภาษาลิบทุทเพราะว่าภาบุตรนี่เป็นผู้หนักไม่ได้ความกตัญญูกตเวทีความจริงตอนนี้นี่ผมกล่าวซ้ําตอนก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ผมก็เพลิดเพลินไปเป็นการนานแล้วไม่ได้ใช้เพิ่งจะมาใช้วันนี้ที่กล่าวซ้าแล้วก็ต่องขออภัยด้วยในลำดับนั้นท่านเดวีสองก็ได้ไปสู่สานักของท่านสันชยัยพ่อท่านสันชัยเห็นเข้าจึงถามว่าพ่อทั้งสองพวกพ่อได้ใครสแสดงทำที่ที่ชื่อว่าไม่ตายแล้วหรือ ท่านสหายทั้งสองกล่าวเรียนว่าได้แล้วขรับท่านอาจารย์พระพุทธเจ้าทรงบวขึ้นแล้วในโลกพระธรรมบวขึ้นแล้วแล้วก็พระอริยสงฆ์ทรงบวขึ้นแล้วถ้านอาจารย์ประพฤติธรรมเปล่าไร้สาระเชิญท่านอาจารย์มาเถิดไปกับเราพวกเราทั้งหลายจะพาท่านอาจารย์ไปสนาคุโองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า นี่ความจริงฟังแล้วก็น่าเจ็บใจท่านสัญชัยเป็นอาจารย์ใหญ่แต่ถูรู้สิทธิ์ประนามแบบนั้นแต่ความจริงที่เขพูดก็พูดในความหวังดีพูดแบบตรงไปตรงมาท่านสัญชัยยังกล่าวว่าท่านนางสอนจงไปเถิดฉันไม่มาไม่สามารถจะไปได้ท่านสอนเสหา ย, ยังถามว่าทําไมตะครับใต้าอ า, าจารย์จริงไปไม่ได้ ท่านสัญชัยยังกล่าวว่าเราเที่ยวไปเป็นอาจารของมหาชนส่วนมากสุดแล้วการอยู่อันเป็นอันเตวสิษ์คือเป็นโรกศิษย์ของคนอื่นคนอื่นนั้นเราไม่สามารถจะทำได้เพราะว่าการเป็นลรคศิษย์เ ข, ขาก็เช่นกับเกิดนี่เกิดความไหวแห่งน้ำในตุ่มไม่ความตามธรรมดาน้ำในตุ่มนี่มันนิ่ง เวลานี้แปลจานเขาใหญ่โตดีแล้วถ้าไปเป็นลูกศิษย์เขาเข้าก็จะเหมือนขั้นน้ําในถุ่มที่มันกระเพื่อมเราไม่สามารถจะเป็นลูกศิษย์ใครของใครได้แล้วนี่เป็นมาณนฑะทิฏฐิของท่านสันชัยปรีภาชกจะคุยต่อไปมันก็ไม่ไหวเวลาหมดเสแล้วนะครับวันพรุ่งนี้ต่อกันใหม่เพราะความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ท่านอันหลายผู้สันดับแล้วสวัสดี